พระธรรมเทศนาแผ่นที่99าลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สองตุลาคม2559มีชื่อเรื่องว่าเปิดตาแห่งปัญญาลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันที่สอง ตุลาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันอาทิตย์ตั้งแต่6โมงเช้าฝนเทลงมานะคณับัตธายาดโยมลูกลานฝนตกนานทีเดียวหลวงพ่อว่านะต้องมาอยู่ที่วัดเราปีนี้วันนน้แหละนะที่ฝนตกแรงแล้วก็ตกนาน อย่างพวกโกูกหลานก็นาะทาญาติโยมได้เห็นบินทบาทก็ลุยน้ำเลยวันนี้สถานที่ตักบาเอน้ำเออน้ำกระเจิงหลวงพ่อยังบอกเอเมนท่านผู้ใดเนาะไม่เคยมาใส่บาทเวลามาใส่บาทแล้วฝนเอาฝนมาด้วยวันนี้วะรู้สึกว่าฝนท่าจะว่าไปแล้ว ปีฝนปีนี้รู้สึกว่าดีกว่า3ปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาฝนไม่ดีนะคะ่ะทศชายญาติโยมลูกหลานฝนในถิ่นของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อได้สังเกตคือน้ําเราไม่ได้สังเกตที่อื่นน ะ, ะแล้วก็ฝนตกก็ใช่อยู่แต่ว่าเราสังเกตน้ํำลำรางน้ําไม่เคยเครื่งฝั่งเลย3ปีที่ผ่านมาแต่ว่าปีนี้ขึ้นมาเป็นครั้งสองครั้งแล้วอันนี้คงจะเป็นครั้งที่3สระมังเนี่ย ตกวันนี้รู้สึกว่าแรงสม่ำเสมอกันพอสมควรปีนี้รู้สึกว่าข้าวในท้องนาของลูกหลานในถิ่นนี้ก็รู้สึกว่าออพ อ, อ, อท่นน้ำน้ำเพียงพอในช่วงนี้นะนี่แหะคืออันนี้ดินฟ้าอากาศฟ้าฝน เ, เราตกแต่งเอาไปได้ตกแต่งเอาได้บ้าง ทำฝนเทียมแต่ว่าแต่งจริงบางทีมันท่วมเข้ามากัดจุดไม่ได้อีกเหมือนกันพอมันแรงจริงๆไม่มีก้อนเมฆก้อนฝ้ายู่อยู่บนท้องฟ้าก็ไม่มีทำฝนเทียมไม่ได้อีกเหมือนกันอันนี้คือเราอยู่ในท้องฟ้าอยู่ทำเมชาตนะนี่แหละ ว, วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งพวกเรามีแต่ดู อยู่ด้วยธรรมชาติดินฟ้าอากาศแต่วันนี้ก็เห็นพี่น้องศรัทธาญาติโยมมาจากทางไกลามาจากคอนแกนเมืองพลแล้วก็มาจากกรุงเทพมาจากที่ไหนไหลายๆแห่งเหมือนกันนะที่หลวงพ่อได้ถามไทยคณะศรัทธาญาติโยมใส่บาตรก็มาเห็นมาเจอฝนข้อแล้วก็คงจะอย่างไงฟ้าฝน ที่มาใส่บาตรของพวกเรานี่แหละถึงอยางไงก็ตามนะพระครูบาอาจารย์พระสงฆ์ลูกหลานทางหลายเนี่ยก็อย่างนี้แหละลูกหลานเป็นพระกรรมฐานแต่เมื่อเช้าเนี่ยหลวงพ่อออกไปปินทบบาทก็ประมาณสักเกือบเจ็ดโมงก็ได้เวลาน่ะเกินเวลาอีกน้อยหนึ่งเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมมาจากทางไกลมันเวลาฝนตก มันคงจะเสียเวลาหนะลวงพ่อกับพยายามยืดเวลาออกไปพอไปถึงจะใกล้เข้าหมู่บ้านเอกฝนยังเทไม่หุดจั ก, จกหยุดอกีกหลวงพ่อก็เลยไปยืนอยู่ที่นั่นดิคอยฝนคอยให้ฝนหยุดนะเพใช้เวลา น, านานพอสมควรฝนยังค่อยชาเชยชาเราเลยค่อยไปบินทบาทมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยหละลูกหลานเ <c oughs> นี่ยชีวิตของพระ ชีวิตของนักพรดนักบวชเราจะให้ได้อย่างใจเราไม่ได้เราก็ต้องมีการยึดจูนบ้างอดบ้างอิ่มบ้างเรียกว่าชีวิตของพระเราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทําตนให้เขาเลี้ยงง่ายอันนี้คือพระธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะนะแต่ถึงยังไงก็ตามพวกคณะสัตยาติโยมทุกคนนะ ที่ได้เกิดมาได้พบพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอันดับแรกพวกเราต้องศึกษานะศึกษาในหลักธรรมคําสอนไม่รู้ว่าวิชาทางโลกทั้งหลายทั้งปวงที่เราจะเรียนจะศึกษานะเราก็ต้องเรียนกอไก่ซะก่อนถ้าเราถ้าเรามาเรียนกอไก่เรื่องเอบีดีเรื่องหนึ่งสอสวันทูทีเราก็ 1, 2, 3, 1, 2, 3, เรียนอย่างอื่นไปไม่ได้ เราจะเป็นด็อกเตอร์ไม่ได้เราจะเป็นเรียนแขนงไหนไม่ได้นี่ก็เหมือนกันนะั่นะเราเกิดมาแล้วต้องเรียน เ, เรียนเมื่อเพื่อการศึกษาเรียนรู้จึงจะมีสติปัญญาเอาตัวรอดได้แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ได้เพราะอะไรเพราะได้รับการศึกษานี่ก็เหมือนกันในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะรู้ ซึ่งถึงใจในหลักธรรมคำสอนอันละเอียดเข้าไปเราก็ต้องได้ยินได้ฟังซะก่อนเพราะว่าการศึกษาการศึกษาไี่ต้องมาก่อนในหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าจึงว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังพวกเราต้องได้ยินได้ฟังคือการศึกษาเมื่อเราได้ยินได้ฟัง ครูบาอาจารย์พระสงฆ์อย่างหลวงพ่อโพดอย่างนี้อนะ่ะอันนี้ก็คือเป็นแนวหนึ่งขแขนงหนึ่งหรือเราได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งคือเดินหรือเอ็มสหรือหนังสื อ, เ, อเกี่ยวกับพุทธศาสนาทําวัดไหว้พระสวดมนต์สวดมนต์นแปลอย่างนี้อันนี้ล้ลวนแล้วแต่เราได้รับการศึกษาทั้งนั้นหลยแล้ว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง จินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข่ควรทบทวนเมื่อเราได้ศึกษาได้เรียนได้รู้แล้วแนวทางเราก็มาทบทวนอีกว่าเอ๊ะมันเป็นของจริงหรือเปล่าเรื่องราวที่เราได้ยินมานี้มีเหตุผลมากน้อยอย่างไงแค่ไหนเราก็ต้องมาทบทวนอีกที่หนึ่งอันนี้วาจินตามะยะปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนา ทำจิตใจให้สงบจิตใจเป็นหนึ่งในเมื่อจิตใจเป็นหนึ่งสงบอยู่ในความนื่งแล้วก็นามาพิจารณาการกรองไตรตองเป็นปัญญาที่แท้จริงในลึกคือหลักธรรมคำสอนของพธธุทธะถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วท่าว่าจิตใจของเราเไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจปุงฟุ้งซ่านมีเรื่องราวเกิดขึ้นเป็นบ้าเป็นบ อ, อยางนี้ ให้นำมาคิดดูสิมันคิดได้มันมัคิดไม่ได้เพราะไรเพราะว่ามันไม่ได้ภาวนาจิตใจไม่สงบถ้าเมื่อจิตใจสงบแล้วจิตใจเป็นหนึ่งแล้วหรือว่าจิตใจอยู่พอสมควรแล้วเราก็นำมาพิจารณาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั้น เ, เราก็เห็นได้ชัดว่าอันนี้มีเหตุมีผลอย่างไรถูกต้องไม่ถูกต้อง เ, ออเป็นธรรมและไม่เป็นธรรมอย่างไรอันนี้เรียกว่าภาวนามายาปัญญา นี่แหละอันนี้เคคือสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังบทที่สรุปได้ว่าเป็นพุทธปาฏิจบทหนึ่งว่า ส, สุสังลัสะเตปัญยญงผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานีอันนี้ก็คือการอ า, อาศัยการได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วท่านสอนอย่างไรเป็นอันดับแรกท่านสอนอุบาสกอุบาสิกาอสอนให้มีทานเนอการอยู่ด้วยกันต้องเสียสละ ถ้าว่าอเ น, นิสง์ทานมีเราทําบุญทําทานเกิดมาพบาดชาติใดอเ น, นิสง์ทานมีจะเป็นคนไม่อดอยากเพราะหลเพราะอเนกสง์ทาน เ, เครื่อกูลหนุนพระพุทธเจ้าท่านประกาศหลืว่าท่านพูดไว้ในพระไตรปิฎกท่านประกาศบอกว่าที่เราได้ตัจรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยอเ น, นิสง์ทานส่วนหนึ่งนะแล้วก็ส่วนอ น, นิสงสิน อันนสนภาวนานั้นคือส่วนประกอบส่วนสูงขึ้นไปเรื่อยแต่อันดับแรกเบื้องต้นเนี่ยคืออันทสงทานนะเพราะพระองค์ไม่เคยปฏิเสธในการทาําทานเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทธายาทโยมลูกหลานทุกคนนะการเสียสละการทําทานเราไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ทำไว้ทั้งหมดทําบุญทั้งหมดไปใช่แต่ไม่บึกไม่มีการทําบุญทําทานจะเ น, นั้นไม่ถูกนะไม่ใช่หลกหลักของพุทธศาสนา อย่างที่พระสงฆ์มาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านของพวกเราเนี่ยพระสงฆ์มาบิณฑบาตเราก็ต้องตักบาตรใส่บาตรบ้างเมื่อมีโอกาสหรือบาตรใส่บาตรทุกวันพอเรากินทุกวันเราทานทุกวันเราก็ต้องทําบุญแต่วันไหนที่เราไม่ได้ทําบุญเอาเอ า, เอาเถอะเราไม่ได้ทําบุญเราก็ควรจะปลูกฝังอุปนิสัยของลูกของหลานเอาไว้ให้มีการเยื่อใยและการทําบุญเอาไว้ เพื่อเป็นอุปนิสัยต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าพวกเราไม่อบรมไม่บอกกล่าวกันไม่นะนำสั่งสอนลูกหลานมิแต่สอนให้ขี้ตันีทีเหนียว เ, เวลาเขาเห็นพี่เห็นน้องเห็นพ่อเห็นแม่เห็นวงศาคณะญาติตกทุกระยาะเขาจะไม่มองเห็นใครนะเพราะอะไรเพราะเราสอนให้เขาเป็นคนขี้ตนันีไม่ยอมให้เขาเสียสละนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเหมือนกันนะขนาดพ่อแม่ตก เก็บใครได้ป่วยอะไรเขาดังกันควั ก, กออกมาได้ยากมากแต่เวลาเขาเอาไปเที่ยวไปเตรสนุกสนานส่วนตัวของเขานั้นเขาเอาไปใช้แบบฟุ่มเฟื่อยเพราะอะไรเพราะเราสอนให้เขาเป็นคนไม่เสียสละ น, น, นี่แหละอันนี้เมื่อเราพ่อแม่สอนให้เขาเสียสละแค่ น, นั้นเออวันนี้เราไม่ได้ตักบาตรเจใจบาตเอาเถอะเราจะสอดจอดกระปุกนะอคนจะใส่เท่าเท่าไหร่ เมื่อสอดกระปุกเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้กับจอดกระปุกวันละห้าบาทสพบ้าทอะไรสุดแท้แต่เป็นการเสียสละในครอบครัวนะในเมื่อเราทำไปแล้วมีการบุญมีการบวชนาคมีการทำบุญขึ้นบ้านหรืออะไรมีสาธารณะพิธีเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็เบิกเอาเงินก้อนนั้นแหะไปทำบุญกระบอกให้ลูกหลานได้รับสาบนี่ยนะ เงินทําบุญเนอะอันนี้เงินกองกลางเงินทําบุญในครอบครัวของพวกเราอันนี้ล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการปลูกฝังปณิสัยของลูกของหลานของครอบครัวเพื่อเสียสละนี่แหละอันนี้คือการบอกกล่าวลูกหลานของตนเองอันนี้คือทานะก็ไม่เห็นจะจีบหายที่ตรงไหนเราทําบุญไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ทําทั้งหมดไม่ใช่แต่ว่าเห็น ถ้าว่าไม่มีการเสียสละเสเลยอนะนั้นไม่ถูกนะในหลักธรรมคําสอนของพุท ธ, ธานะคณรศรัท ธ, ธา ญ, ญาติโยมหลวงพ่อเป็นผู้เป็นผู้บอกเป็นผู้กล่าวให้ลูกหลานได้ฟังแต่หลวงพ่อก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันนะเอะการเสียสละที่ได้มาแล้วศรัท ธ, ธา ญ, ญาติโยมถอยมาแล้วหลวงพ่อเก่น เ, เก็บหอมรอมริบไว้ส่วนหนึ่ง <c oughs> จากนั้นก็แบ่งเสียสละให้กับชุมชนสังคมให้เกิดประโยชน์ อันนี้คือฐานศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อย เ, อเราอยู่ด้วยกันอันนี้สงศิ์ีลคุ้มครองเราไปณนะสถานที่ใดศีลคุ้มครองมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะอะไรเพราะเราไม่คิดฆ่าเขาในเมื่อไม่คิดฆ่าเขาเขาไม่คิดฆ่าเราแต่บางคนใช่ชาตินี้เราไม่ได้คิดฆ่าเขาแต่ทำไมเขาคิดมาฆ่าเราเราทำไมถึงถูกฆ่า อันนี้นท่านบอกว่าในอดีตแต่ชาติพวกเราคงจะทํากรรมไว้กับเขามาก่อน เ, อเพราะฉะนั้นเรามองไม่เห็นอันนั้นถือพระหันตสาวกหรือพระพุทธเจ้าผู้มีญาณทัตนะท่านจะรู้ได้ว่าอันนี้กรรมเก่าหรือเป็นกรรมใหม่น ะ, ะบางทีมอาจจะเป็นกรรมเก่าของเราก็ได้น ะ, ะแต่ว่ากรรมใหม่ถ้าเราไปไม่มีเมตตาต่อกัน เ, เ, เรามีแต่ใช้อารมณ์โมโหโกธา อาจจะกรกรมใหม่มันเกิดอาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้อันนี้ก็คื อ, เ, อ, อเมื่อเขาเรา เ, เขาไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราอันนี้คือสินอะิทีนาทานขโมยของเขาเขามาขโมยของเรา เ, เพราะนั้นเรารู้ว่าเราการขโมยกันไม่ดีเราก็งดซะกาเมสุมิจฉาจาร์ประพฤติผิดปะเวนีลาลาบละล้ระรวงในสามีภรรยาคนอื่นเขา เขามาทําให้กับเราเราก็เสียใจนี่แหละสินข้อที่4ข้อที่สข้อที่สี่มุสาต้มตุ๋นหลอกหลวงคนอื่นเท้าข้อที่5สรุปแล้วก็คือสําหรับอุบาสกอุบาสิกาควรจะมีทานแล้วก็มีสินแล้วก็มีภาวนาภาวนาเนี่ยมีสองสมถะและวิปัสสนาสมถะทาจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตใจของเรา ปงฟงซ่านแล้วมันจะคิดจะมองหาอะไรไม่เจอเหมือนกับรถนะฮะรถไม่มีเบรกพวกเราว่าอย่างไงแสมาธิคือเบรกทำเบรกให้รถนะแรถมันเบรกดีแอใจมันเน่งใจมันเน่งจิตใจมันสงบเมื่อจิตใจสงบแล้วนะ่ะมองเราจะมองเห็นในสถานที่ต่างๆเรื่องต่างๆได้เพราะอะไรเพราะใจของเราเน่ง ถ้าจิตใจของเราปุ่งฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาอันนั้นใช้ไม่ได้นะลูกหลานนะแต่ทํามจะจะให้สงบอยู่เรื่อยไม่ใช่จิตใจเมื่อทำเมื่อเราภาวนาเราทําให้จิตใจสงบในเมื่อเราทําการทํางานเราต้องคิดเราก็ต้องใช้แนวความคิดนั้นยืดหยุ่นออกไปไปใช้ความคิดในเรื่องงานต่างๆในเมื่อเราคิดแล้วดูแล้วพิจารณาแล้ว ในเมื่อหมดหน้าที่แล้วเราก็เข้ามาหาสมาธิทำมาทาให้จิตใจสงบไม่ให้มันคิดปุงฟุ้งซ่านตลอดเวลาคล้ายๆว่ามีเบรกเบรกห้ามไว้มันคิดไปเพื่ออะไรไม่เกิดประโยชน์อันนี้ก็คือสมาธิปัญญาวิปัสสนานำมากันกรองไตรตรองเหตุและผลทีนีเ้เราเป็นอยู่อย่างไรการเป็นอยู่ของเรา ชีวิตของเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะอีกสักวันหนึ่งนะมันถึงจุดจบของมันนะใช่หมายใจนี่แหละอันนี้ก็คือวิปัสสนาลเลยท่านร่างกายถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะทนุถนอมขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งร่างกายน่าจะต้องไหลไปสู่ดิดน้ำลมไปตายพูดง่ายๆชีวิตของเรามันมีจุดจบของมันเพราะฉะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดี ตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดอีกที่ไหนเกิดเมื่อเรานั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจใจกับกายจจกายเป็นรูปธรรมใจเป็นนามธรร ม, มตัวนามธรรมนั่นแหละเป็นใหญ่ในหลักของพุทธศาสนาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจเรื่องของนามธรรม เรื่องตัวรูร้นั่นตัวสมองนั่นตัวนั้นสําคัญกว่าร่างกายท่านจึงให้เป็นพุทธภาณีว่ามโนปุพังคํามาธรรมาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจใจคือนามาะธรรมบุญนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาธิโยมทุกท่านนะ่าได้มาได้เกิดมาได้พบพุทธศาสนาอันดับแรกก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างแต่ก่อนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว สุดตามมยะปัญญาจินตามมยะปัญญาภาวนามยปัญญาสูสูสัสงรัตเตปัญญงผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญาจากนั้นเมื่อได้ยินเรื่องราวต่างๆแลามาแยกแยะจากนั้นก็มาคิดดูที่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรท่านแนะนำให้สอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวน า, าการอยู่ด้วยกันให้อยู่ด้วยกันด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีกัน รักกันเมตตากันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันาการเบียดเบียนเขาเขามาเบียดเบียนเร า, เาไม่ดีทั้งนั้นในหลักของพุทธะนะอพออีกสักวันหนึ่งอต่างคนก็ต่างจากโลกนี้ไปไม่มีใครที่จะอยู่โช่ฟ้าดินสลายาไม่ไม่มีใครหรอกจะอยู่ตลอดเป็นไม่ตายตายไม่เปลี่ยนไม่มเีเพราะนั้นก่อนที่จะจากไปนั้นเราควรจะฝาก คุณงามความดีไว้ในแผ่นดินเ อ, อเราจะฝากสิ่งที่มันชั่วช้าเสียหายไว้ในแผ่นดินฝากคุณงามความดีไว้จะเลิญประเสริฐกว่านะคณะร ท, ทาญาติโยมลูกหลานนะเอาวันนี้ฝนตกเสียเวลามากพอจงควรแล้วพวกครูบาหน้อยกูบาหนุ่มก็คงจะหิวอาหารแต่ละมังวันนี้นะออพอมันเสียเวลามาฝนตกมากกะเสียเวลาแล้ว ฝนเพิ่งหยุดเนี่ยหยุดก็หยุดจริงๆเนี่ยฝนรู้จักความนะหลวงพ่อว่าวันนี้นะแต่ไม่รู้จักความแต่ขณะที่บินทบาทแล้วมันหลงแรงเกินไปนผะ้ากูบาเปียกหมดวันนี้ <c oughs> อับพรในแต่นี่เนอะคณะสัทย า, า, าญาติโยมนะอุทิศส่วนกุศลเนอะได้มาสู่วัดวาศาสนาก่อนที่พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรให้เร า, เ, าเมตตาหรือว่าตั้งกิตอธิฐาน วุทิส่วนกุศลต่อผู้มีอุปรกรณคุณคือพ่อแม่ปูย่ย่าตายายวงศาคณะญาติญาติมิจฉาอ่างตลอดถึงเจ้ากรรมในเวรถ้าหาว่าผู้ใดที่จะมารับส่วนบุญจากข้าพเจ้าได้ให้มารับบุญกุศลจากข้าพเจ้าด้วยทุกครั้งเมื่อเราไปทําบุญเราจะอุทิศส่วนกุศล น, นะยาถา